จริงๆแล้วศีลทั้งหลายเนี่ยกำจัดโทสะนะถ้าคนรักษาศีลดีก็จะกำจัดโทสะเพราะว่าสิ่งปัญหาที่เราเดือดร้อนใจไม่สบายใจในโลกนี้เกิจดจากการทุศีลอันถ้าประพฤติเอาไว้เป็นอย่างดีนะจะไม่มีโทสะศีลเนี่ยกำจัดโทสะสมาธิกำจัดโลภะนะสมาธินี่นะถ้าคนที่เจริญเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เหมือนกับคนกินอิ่มเต็มที่เลยนะเห็นอาหารอะไรก็ไม่หิวใช่ห เคยไม่ให้อินเต็อินเต็ ม, ม, ตมที่นะถึงอาหารนั้นเราจะชอบเราก็ไม่หิวเราก็ไม่ต้องการบริโภคผู้ที่อบรมสมถะได้เต็มที่นะจะไม่หิวไม่หิวในวัตถุกรรมในะลักษณะนั้นนะเพราะอะไรเพราะเขามีสิ่งอื่นชดเชยแล้วาสาัตว์ทั้งหลายถ้าไม่ได้เนคขมมาสุขนะที่จะไม่กลับไปหาตามมาสุขเป็นไปไม่ได้นะนะท่านก็ต้องอบรมให้ได้เนคขมมาสุขอันนั้นแหละคือการออกจากวัตถุกรรมแต่ในที่สุดนะ พื้นฐานของสิ่งเหล่านั้นก็ต้องเอามาทําปริญญาอีกอยู่ดีถ้าไม่ทําปริญญาอย่างแท้จริงก็ออกจากกองทุกข์ไม่ได้หรอกเ น, น, นั่นการประพฤติสุจริตทั้งสามนั่นแหละศีลกายวาจาเนี่ยเป็นอะไร ส, สุจริตข้ออะไรเป็นศี่และสิกขาคือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตแบ่งออกเป็นสองสิกขาอนัพพิชาอัพยาบาทเป็นอธิจิตตสิกขาสัมมาทิฏฐิเป็น ปัญญาสิกขาเพราะฉะนั้นการอบรมในศาสนานี้ก็คืออบรมกายวาจาและจิตนั่นเองแต่จิตนี้แบ่งออกเป็นอธิจิตสิกขากับอธิปัญญาศิกขาเนี่ยนะต้องทําให้มีขึ้นพอกพูนขึ้นถามว่าอบรมนี่ต้องทํามากขนาดไหนก็จนกว่าจะมั่นใจว่าถ้าจะจุติตรงนี้ฉันก็ระลึกถึงสิ่งที่ฉันประพฤติได้อันนั้นแหละเอามาเป็นกรรมมะอารมณ์ให้ได้เจริญกุศลจนเอามาเป็นกรร ม, มอารมณ์ของตัวเองได้ รักษาศีลจนนึกถึงศีลที่รักษาเมื่อไหร่ก็ยิ้มเมื่อนั้นเลยนะไม่ใช่นึกถึงเมื่อไหร่ก็โอ้โหขอนั้นก็มาคดีข้อนี้นก็ใช้ไม่ได้นะถ้าอย่างนี้จะจุติตอนนั้นนะะสายจะเดือดร้อนมากกว่นี้เยอะอันนี้เป็นผลของคําสอนว่าถ้าผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนในสมัยพุทธกาลที่เราศึกษา ม, มาเนี่ยนะมีผู้ใดไปอาบายบ้างไหมเพราะการประพฤติตามคําสอนเนี่ยไม่มีพรองตร์เลยว่าผู้ที่ ผลของการปฏิบัติตามคําสอนเนี่ยอย่างน้อยก็การมสุขติใช่ไหมเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือผู้ที่ปฏิสนธิเป็นพรหมนี่ก็มีใช่น้อยผู้ที่ดับขันไปได้นี่ผานหาประมาณไม่ได้นะสาหรับผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมะของพรนะองค์นีผลของการปฏิบัติธรรมเนี่ยในระดับล่างที่สุดต่าที่สุดคืออะไรมนุษยภูมิเนี่ยนะการมสุขติภูมิระดับสูงขึ้นไปกว่านั้นก็คือสุขติประเภทเทวดาหรือพรหม แต่ถ้าถึงที่สุดเลยก็คือเป็นผ้าหันดับขันปรินิพานถามว่าพระองค์ตรัสรูเ้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอารหัตผลเนี่ยเกิดแก่กี่บุคคลหาประมาณไม่ได้อย่างแค่สูตรแรกใช่ไมเพระะาะธรรมจักรกับปวัตนสูตรบรรลุสิบแปดกฎสูตรที่บรรลุหาประมาณไม่ได้คืออะไรจูล ะ, ะจระราหูโลวาทศูตรบรรลุหาประมาณไม่ได้ มงคลสูตรบรรลุหาประมาณไม่ได้มหาสมัยสูตรบรรลุหาประมาณไม่ได้ตรัสอภิธรรมปิดกก็บรรลุโหหลายหมื่นโกดมากเ น, น, นี่ยนะสตอนแสดงยงมากะปาติหารก็บรรลุหลายเอเป็นโกดอ่ะเชื่อไหมไม่มีพวกเราอยู่ในในั้นเลยน่าจะมีบ้างนะแไปอยู่ที่ไหนในะตอนนั้นนะเขาต้องเยอะแยะเลยอ่ะหลาม่นั่งรอเรียนอยู่เนี่ยนะนะไม่มีเรายอยู่ในนั้นเลยนะแม อ๋อนะโอ้ hmm. มากขนาดนั้นนะสอบผ่านเยอะแยะไปหมดเลยนะนี mm ่ hmm. มาดูนะว่านั่นเป็นผลของการปฏิบัติธรรมนะสุขติแล้วก็ดับขันปรินพิพพานพ้นจากวัฏฏทุกข์ทั้งมวลเป็นผลของเทศนาที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าเป็นสมัยพุทธกาลนะสูตรนี้บรรลุเท่านี้สูตรนั้นบนรรลุเท่านั้นอย่างเช่นอั น, นะียกตัวอย่างนะฉะฉักกสูตรเนี่ยฉะฉักกสูตรพระองค์ตรัดบรรลุหกสิบ ร, รูป พระอสิติมหาสาวกแปดสิบองค์แสดงองค์ละหนึ่งครั้งเนี่ยบรรลุครั้งละหกสิบอีกเหมือนกันนะบรรลุเท่าไหร่งไห น, นหลายพันนะใช่ไหมอ่าแล้วพระอื่นๆเทศเนี่ยนะอย่างพระพระมาลายเทพเทระนะพระมาลายอะ่ะท่านเทศอยู่หกสิบครั้งบรรลุครั้งละหกสบเนี่ยนะแล้วพระจุลนาคบรรลุสอนเนี่ยนะเาบอกว่าเทวดามามาพวก เขบอกว่าที่มาเยอะๆกันเนี่ยมีปุตรชนพวกละหนึ่งพวกละหนึ่งพวกละหนึ่งเท่านั้นเองที่เหลือบรรลุ ก, กันเกือบหมดนั่นก็ไม่มีเราอีกนล้วนะนันมันเป็นผลของเทศนาที่พระพุทธเจ้าสอนนะแต่ไม่แต่เราก็ไม่นักใจแล้วนะได้มาศึกษาเท่านี้ก็รู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรเลยทำไมเราจงึงทั้งที่แล้วสอบตกเนี่ยรู้ตัวเลยแต่ถ้าแต่รู้ตัวแล้วก็น่าจะตื่นตัวแล้วนะแต่นี้เราก็ตื่นกันขนาดนี้ปกติใบบานนี่มันง่วงอย่าบอกใครเลย นี่นะสปาเยอะมากนะอิ่มๆแล้วก็ร้อนนิดๆแล้วก็อาหารกําลังย่อยเนี่โอ้โหแต่นี้ก็ยังไม่มีใครมานั่งสัปาหนกโยกหน้าโยกหลังให้เห็นวันนี้นะออกมาเพิ่งมีบุญวันนี้เลย <c oughs> โอ้โหเมื่อก่อนไม่ได้ไปทํากรรมอะไรมา <c oughs> แต่ก็จำได้นะมีอยู่วันหนึ่งอาจารย์เล่นพูดธรรมะให้ฟัง <c oughs> คนก็นั่งฟังเยอะหลายค น, นเราก็ไปนั่งข้างๆอาจารย์เนี่ยไปนั่งหลับ <c oughs> โอ้โั้งงานนั้นมานะอันนี้สงฆ์มันให้ผลไปที่ไหนจะต้องมีมันนั่งสับปะงกให้เห็นหนึ่งคนอย่างน้อยนี่อยู่ครั้งนึ่งเราพูดยังแจ้งอะนะกสามสี่คนอะนั่งฟังมีเจ้าหนึ่งมันนั่งหลับอยู่ได้คากวีอันเดียวเนีะนะ่ยนี่ไม่ตกกรีแย่เลยอ่โอ้โหแต่ทําเหตุไว้นะก็ไป ต, ต, ต, ตั้งไหนก็นั่งนึกเออเราเคยหลับฟังธรรมมาก่อนเ น, น, นะ่ยก็ทําเหตุอันนั้นไว้มันก็ <c oughs> ตั้งใจทำไปดีๆนะทีนี้ต่อไปนะเราถ้าฝึกหลับเอาไว้นะไปที่ไหนก็พูดกับใครเนะี่ยเขาหลับก็ต้องมานแล้วนะเดี๋ยวมาไปตั้งมีเขาเนี่ใครผิดเอาเขากินบุญเก่าอะ่ะ แ, แล้วก็หลับผมเป็นรวังเป็นบุญเก่าใช่ไหมไอ้ของเราพูดแล้วเขาหลับใครผิดนะไ้ของเราพูดแล้วก็ตื่นไม่ได้เองอะ่ะเขโทษเขาไม่ได้นี๋มาดูคาถาต่อไปนะว่าอุบาย เมื่อบุคคลพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในวัตถทุกข์การเบื่อหน่ายในวัตถทุกข์นี้เป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานคือผลคือการบรรลุมรรคผลนิพพานในคาถาก่อนเนี่ยนะถ้าปราถนาจะบรรลุอย่างนั้นต้องมาปฏิบัติตามอุบายอุบายอันนี้คืออะไรเน้น ย, ยกปัญญาศิขาขึ้นมาเลยนะอที่ปัญญาว่า อุบายอันนั้นต้องเห็นสัพพะสังขารสังขารทุกชนิดแต่ว่าเกิดแล้วตายหมดแต่ว่าสัตว์ในทุกภพภูมิเนี่ยนะไม่เที่ยงเหมือนกันหมดไอ้คำว่าพูดว่าสังขารทุกภพภูมิไม่เที่ยงเนี่ยนะจะทําให้เราบอกว่าเออเราก็ต้องการไปปฏิสนธิในภพที่ไม่เที่ยงอีกอยู่หรือใช่ไหมการกล่าวถึงภพแต่ละภพว่าไม่เที่ยง เพันถ้าเราปรารถนาที่จะเกิดในภพใดก็ชื่อว่าปรารถนาเกิดในภพที่ไม่เที่ยงแล้วสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นสับพาสังขารในทุกภพภูมิเป็นทุกหมดถ้านรกนัทุกข์ทุกชัดเจนเทวดาวิปริณามะทุกข์คือความสุขเข้ามากแต่ก็ทุกข์อยู่ดีวิปริณามะทุกข์โทษเทวดาก็ไม่เที่ยงใช่ไหยมนุษย์อ่ะสองอย่างเลยนะทุกข์ทุกกับวิปริณามะทุกข์สลับคระเข้กันไปแต่ถ้า อรูปปรมหรืออาศัณยสัตตาพร้มพวกนี้จะมีแต่สังขารทุกข์เพราะฉะนั้นในทุกภพภูมิทั้งหมดก็ล้วนแต่เป็นทุกหนึ่งไม่เที่ยงก่อนอนะแล้วไม่สิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกเพราในทุกภพภูมิเนี่ยเป็นทุกหมดเลยทุกเพราะไม่เที่ยงบางอย่างทุกเพรทุกจริงๆแหละทุกเพราะเจ็บปวดจริงๆอ่ะเนี่ยนะเข้าโรงพยาบาลถูกผ่าตัดมาเนี่ยเจ็บจริงๆทุกจริงๆถ้าอันนี้บางอย่างก็ สุขเวทนาก็ทุกเพราะว่าสุขนั้นเที่ยงไม้ไม่เที่ยงบุคคลทั้งหลายเนี่ยนะเสวยเวทนาทีละอย่างเมื่อใดสุขให้รู้เถอะว่าก่อนหน้านี้ทุกมาย้อนไปกลับหลังได้เลยใช่ไหมว่าทุกมาก่อนจึงมาสุขถ้าใครที่กําลังสุขอยู่นะที่สุด ข, ของสุขคืออะไรก็เวียนไปทุกเลยนะเพราะเวทนามีแค่สามถ้าย่อไปก็เหลือสองใช่ไหมคือสุขกับทุกขเพระ อ, อุเบขานับรองประเภท ก็มีแต่สุขกัะทุกข์สลับเราคร่ากันไปเมื่อใดสุขขณะนั้นก็ไม่ทุกข์เมื่อไดทุกข์ขณะนั้นก็ไม่ไม่สุขก่อนที่จะสุขก็คือทุกข์ก่อนที่อ่อก่อนที่จะทุกข์ก็คือสุขเป็นทุกข์ด้วยไม่เที่ยงด้วยนะมันก็สลับคราคล่ากันไปมันก็ไม่ดีจริงอะไรนะนั้นก็ในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นอ่ะเป็นทุกข์การประกาศไม่เที่ยงเพื่อให้ละมานะเนะ ว่าโดยวัตถุประสงค์ตรงๆเลยการประกาศถึงความไม่เที่ยงของสังขารทั้งมวลเพื่อให้ละมานะการประกาศถึงความเป็นทุกข์ของสังขารทั้งปวงเพื่อให้ละตัณหาว่าอย่าไปเพลิดเพลินในสิ่งนั้นเลยเพราะว่าที่สุดของสิ่งนั้นเนี่ยนะตัวเข้าเองก็เป็นทุกข์อยู่แล้วแล้วปรารธนากองทุกขอนนั้นอีกหรือเนี่ยนะก็เพื่อที่จะให้ละฉันทราคะละความปรารถนาในกองทุกขเหล่านั้นนั้นทีนี้ ก็แต่บายบอกว่าทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเพื่อให้ละความสําคัญผิดว่าเป็นสัตว์เป็นของสัตว์เป็นบุคคลเป็นของบุคคลเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยคำว่าอนัตตาก็คือไม่ใช่อัตตาคําที่ใช้แทนอนัตตาคือสุญญตายัางไงซึ่งเราจะกล่าวข้างล่างนั่นแหะบรรทัดสองบรรทัดสุดท้ายข้างล่างเห็นไหมจงพิจารณาโลกโดยความเป็นของว่างเปล่ากับข้างบนว่าเห็นเป็นอนัตตาอันนี้ไม่ต่างกัน เธอจงพิจารณาโลกโดยความเป็นของว่างเปล่าว่างเปล่าก็คือเห็นโดยความเป็นของศูนย์ศูนย์ก็คือศูญญตาความว่างความเปล่าสังขารทั้งปวงเป็นธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเนี่ยนะอย่างในสูตรหนึ่งที่พระอนุนไปถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโลกศูนย์โลกศูนย์นี่เป็นยังไงพระองค์ก็ตรัสว่าอนุ์โลกศูนย์โลกศูนย์หมายถึงว่าศูนย์จากสัตว์และจากของสัตว์หรือศูนย์จากตนและจากของของตนเช่น ตาเนี่ยเป็นของศูนศูนย์จากอัตตาจากของอัตตาสีเนี่ยนะรูปายกระนะเนี่ยสีก็ศูนศูนย์จากอัตตาศูนย์จากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาจากคูวิญญาณก็ศูนย์คือศูนย์จากอัตตาศูนย์จากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาจากครูสัมผัสเนี่ยนะที่เกิดจากตาสีจากคูวิญญาณประชมกันก็เป็นของศูนย์คือศูนย์จากอัตตาและจากของอัตตา แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดจากจักขู่สัมผัสเป็นตัจใจก็เป็นของศูนย์ศูนย์จากอัตตาศูนย์จากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาเนีน่ยนะอ้าวแล้วตามีเรื่อยมีหรือเปล่าตามีสีมีจักขูวิญญาณมีผัสสะมีเวทนามีสาญญามีแต่สิ่งเหล่าเนี้ศูนย์คำว่าศูนย์คือไม่มีใครอยู่ในสิ่งนั้นสิ่งนั้นมีอยู่จริงแต่ไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใคร แล้วมันเป็นอะไรก็เป็นขันเป็นอายตนะไงก็เป็นตาเป็นสีเป็นจักรคูวิญญาณเป็นผัสสะเวทนาที่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นแหละคืออนัตตาละเพราะฉะนั้นคำว่าอนัตตาเนี่ยภาษาริบบท่านบอกว่าอสาระกัตเถนะไม่มีนิ จ, จสาระอยู่ในนั้นเลยไม่มีสุขสาระอยู่ในนั้นเลยไม่มีสุภาสาระอยู่ในนั้นไม่มีอตตะสาระอยู่ในนั้นอย่างแท้จริงเลยเรียกว่า อนัตตาแต่ทีนี้ว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงบางอย่างก็ต้องไม่ลืมนะบางอย่างก็เป็นกุศลบางอย่างก็เป็นอกุศลบางอย่างก็เป็นวิบากบางอย่างก็เป็นกิริยาอนัตตาที่เป็นรูปก็มาเกิดมาจากสมุทฐาน4ประการนั่นนะทีนี้การเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้ปัญญานะที่เข้าไปเห็นปัญญาที่เข้าไปเห็นโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรียกว่าวิปัสนาปัญญาวิปัสนาปัญญาที่เข้าไปเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ทีนี้ถ้าปัญญาอันนี้บริบูรณ์เมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในวัตฏทุกขนะก็เบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่เที่ยงด้วยเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นอนัตตาถามว่าเบื่ อ, อยังไงเบื่อในความที่สังขารทั้งมวลเนี่ยนะสัพพาสังขารที่ถูกกัดจัยตรงแต่งไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยนะเนียความเบื่อตรงนี้เนี่ยแสดงว่า บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะเบื่ออย่างใดนะแสดงว่าต้องมีอีกอย่างหนึ่งที่ดีกว่าจึงได้เบื่ออย่างนั้นได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงนิพพยายนหรืออาทีนวายานเนี่ยนะถ้าถ้าเรียนปฏิสัมพิทาจะรู้ว่าจะมียานที่มันตรงกันข้ามอีกยานหนึ่งถ้าพูดยานนี้ปัจยานนั้นจะต้องมา ท, ทันทีเลยแต่ถ้าเป็นพยนนัญชนะแบบนี้เรียก็แฝงอยู่คือสัมติบทยานเนี่ยนะสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์พวกนี้น่ากลัวทั้งนั้นแต่นิพพานนี่ไม่น่ากล เดีเขาจะมียาอีกอันหนึ่งที่ต้องการหาทางออกสมมติว่าถ้าเราจะเบื่อสมมุติเอออยู่บ้านหลังหนึ่งแล้วอ้อยู่แล้วมันเบื่อแสดงว่าต้องมีที่หนึ่งที่เราพอใจไว้แล้วใช่ไหมที่มันดีกว่านี้จึงเบื่อทางนี้เพื่อต้องการเอาอีกอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเห็นว่าสังขารโดยความเป็นของหน้าเบื่อหน่ายเมื่อไหร่ต้องเห็นว่าพระนิพพานนั่นนเป็นของที่ที่สงบที่ดีที่เย็นเนี่ยนะที่ไม่น่ารังเกียจที่เกษมที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้น ความเบื่อหน่ายอันนั้นแหละเป็นเหตุแห่งอริยมรรคเป็นอุปนิสัยให้มรรคเกิดมรรคที่เกิดก็จะฆ่ากิเลสน้อมจิตไปเพื่อเพื่อความบริสุทธิ์เนี่ยนะเพื่อมีพระนิพพานเป็นอารมณ์นั่นเองนั้นเเท่ากับกล่าวว่าวิปัสสนาปัญญานะเป็นปัจจัยแก่นิพพทานิพพทาเป็นปัจจัยแก่อริยมรรคอริยมรรคมีนิพพานเป็นอารมณ์ในคาถานี้นะถ้าย่อๆอะถามว่า โดยญาณ น, นี่ระดับไหนก็คือเบื้องต้นเลยสัมมัชญาญาณเป็นปัจจัยแก่นิพิทญาณนิพถญญานเป็นปัจจัยแก่นิาานนาานนนอารยมักอริยมักมีนิพานเป็นอารมณ์ น, นะตั้งแต่วิปัสนาเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นทางเพื่อพระนิพานนั้นนะตั้งแต่การพิจารณาขันโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะวิปัสนาอันนั้นนิพถญและอริยมักทั้งหมดก็เป็นทางแห่งพระนิพานแต่ว่า ทางตรงเลยนะที่ไม่คดไม่อ้อมไม่โค้งก็คืออาริยมัคอย่างเดียวเนี่ยนะคำว่ามัคที่ที่ตรงเนี่ยนะทีนี้ใช้คําว่ามัคเนี่ยมัคเบื้องต้นโดยปกติทั่วไปเรียกว่ามัคเห็นใช่ไหมเป็นธรรมชาติที่เห็นพระนิพพานเนี่ยนะทัศน์โถะนะเห็นพระนิพพานมัคอันนี้เป็นมัคที่นําออกจากวัตตะเรียกว่านิยานิกัรโถตัวมัคนะียเป็นจึงจะเป็นธรรมชาติที่นําออกจากวัตตะ แล้วก็อริยมรรคเนี่เป็นเหตุตัดโถเป็นเหตุที่ที่ทําให้พ้นจากทุกข์เนี่ยตรงนี้บอกว่าเป็นเหตุใช่ไหมคือเป็นเหตุที่จะทําให้พ้นจากวัตทุกนะแล้วก็สุดท้ายผู้ที่อบรมถึงมรรคเนี่ยเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่จริงๆใหญ่ด้วยอะไรบ้างใหญ่ด้วยกุศลธรรมทั้งปวงเพราะขณะอริยมรรคเนี่ยนะโพธิปักจะธรรมทั้งหลายประชุมกันขณะนั้นจึงจะชื่อว่ายิ่งใหญ่อย่างแท้จริงเนี่ยนะ ตางจากทุกขสัพว์ซึ่งแหมมันทุกมันเดือดร้อนมันกัมพามันอนาถาเร่าร้อนมากแต่อริยมรรคเนี่ยสูงสุดจริงๆ ร, ริงการเจริญวิปัสสนาตั้งแต่การเห็นสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์พทั้งปวงเป็นานาตาจนเป็นอุปนิสัยแห่งนิพพิทาคือเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเป็นอุปนิสัยคือประตูแห่งอริยมรรคเนนี่อันนี้เป็นอุบายถ้าปฏิบัติได้ตามอุบายอันนี้อย่างดีอย่างนี้นะจะได้ผลคือข้างบนแล้ว ย้อนไปหาข้างบนได้ว่าผู้นี้ที่ปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยอย่างน้อยรักษามไม่ให้อกุศลเขาเกิดก่อนในเบื้องต้นถ้าปฏิบัติได้ตามนั้นนยจะโทษในโลกนี้ก็ไม่มีโทษในโลกหน้าก็ไม่มีแล้วก็รักษาเขาไม่ให้ไปสู่ทุกขติถ้ามรรคแรกนะถ้าเจริญตามนี้ได้เป็นพระโสดาบันก็อเห็นเดระชามที่ไหนก็บอกว่าฉันทนแล้วพูดอย่างนี้ได้เลย แต่ถ้าเป็นสมัยพุทธกาลนะพระพุทธเจ้าประกาศนาถว่าอริยะสาวกตรวจดูตัวเองว่าถ้ามีคุณธรรมเหล่านี้นะให้รู้ว่าฉันมีอาบายสิ้นแล้วเนี่ยนะก็ตรวจดูคุณธรรมเหล่านี้นะะผมก็บอกว่าหนึ่งศรัทธามีศรัทธาที่มั่นคงไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์แล้วก็เป็นผู้มีศีลอีกข้อหนึ่งคือศีลที่เป็นอริยกันแต่ศีลศีลที่พระริยาเจ้าชอบมากเนี่ยนะ ก็ศรัทธาหนึ่งนะศรัทธาในพระตนตรายสองศีลแล้วก็ล่วงภัยเวรห้าประการตรวจดูว่าเนี่ยสัตว์โลกในชีวิตเนี่ยเจตนาคิดเบียดเบียนมีไหมตรวจดูนะว่าเจตนาคิดเบียดเบียนในสัตพ์สัตว์ในโลกเลยนะมีไหมสัตว์ไหนก็ช่างสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์แค่ไหนก็ช่างเถอะเจตนาเป็นเหตุเบียดเบียนคิดเพื่อฆ่าเป็นต้นปัจจัยแห่งการฆ่าสัตว์เหล่านั้นมีไหม สัาพาวพวัตสดุข้าวของเครื่องใช้ของสัตว์ทั้งหลายในโลกคิดน้อมมาเป็นของตนโดยอกุศลเนี่ยมีไหมโดยไม่เป็นธรรมเนี่ยนะในวัตถุที่หวงแหนทั้งหลายเจตนาเพื่อล่วงกาเมมีไหมมุสาวาตเนี่ยนะคิดจกผู้ให้เคลื่อนจากความจริงไหมสิ่งเราผลไม้ทั้งหลายเป็นต้นที่เอาไปหมักเป็นเครื่องดื่มให้มึนเมาเนี่ยนะต้องการใช้ชีวิตที่มึนเมาต่อไปอีกไหมอันนี้ก็ตรวจสอบดูว่าภัยเวรห้าประการนี้มีไหม แนวโน้มไปเพื่อจะล่วงภัเวรห้าประการมีไหมก่อนทีนี้ข้อต่อไปอีกก็ปฏิจจสมุปบาทนะอันนี้สําคัญที่เรียกว่าอาริยะญายธรรมเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเห็่ไหมถ้าสิ่งนี้ดับสิ่งนั้นก็ดับอาบายทั้งหลายเกิดจากอะไรทุกในในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเกิดจากอะไรเกิดจากชาติชาติเกิดจากอะไรเกิดจากภพคือทุจริตทั้งหลาย ทุจริตเกิดจากอะไรก็ เ, เกิดจากกิเลสทั้งหลายเป็นปัจจัยทีนี้พระโสดาบันเนี่ยปัจจัยที่จะทําให้ทุจริตเหล่านั้นเกิดท่านละแล้วเพราะฉะนั้นการปฏิสนธิในอบายทุคติวินิบาบนี้จึงจึงถูกตัดไปแล้วเนี่ยนะเพราะเหตุคือกิเลสทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งการเกิดในอบายทุคติวินิบาบท่านท่านดับหมดแล้วเนี่ยนะเอพูดอย่างนี้ไม่ใช่โอ้โหเราคงไม่มีวาสนาน้อยใจอย่างนี้เลยไหม ถ้าพูดอย่างนี้แล้วนะโอ้โหถ้าพูดแล้วยมไปเข้าใจอย่างนั้นนะ่ของมาต้องขอโทษอย่างแรงเพราะว่าไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลยนะแทนที่บอกอเราจะต้องปฏิบัติให้ได้นะเราคือควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างที่ถูกปกติสมัยพู้จการก็ฟังทำจบเขาเป็นยังไงบอกโอ้แจ่มแจ้งนักพระเจ้าค่ะแจ่มแจ้งนักพระเจ้าค่ะเงื่อนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางสองประทีปในที่มืดเพื่อคนมีตาดีจะได้มองเห็นรูปฉันนาแต่ของเราาฟังแล้วก็เหียวมากโอ้ทอมากเบื่อมากหน่ายมากก็ แต่คนเทศนี่แสดงว่าได้เวลาพักแล้ว <Yeah. S 1> <c oughs> นี่มาขึ้นข้อสุดท้ายเลยนะอนัตอานัตอ์อนัต น, นี่โดย ท, ทั่วไปก็แปลว่าคําสั่งคําแนะนำหรือคําตักเตือนก็ได้คําสั่งคําแนะนำคาตักเตือนแล้วแต่เราสรัทาคาไหนก็เอาอย่างนั้นเอาเพราะผู้มีพร ะ, พระภาคอย่างตักเตือนท่าน ตักเตือนในพระสูตรนีว่าบัณฑิตผู้มีปัญญาในสัตว์โลกคือในบรรดาคนที่เกิดมาในโลกนี้แล้วเป็นผู้มีปัญญาเนี่ยนะพึงเว้นจากบาปบาปก็คือทุเจริตสามเนี่ยดลบุคคลผู้มีตาดีเมื่อมีความบาปบั่นเดินทางอยู่พึงเว้นทางที่ขรุขระเฉะนั้นเอาพูด แ, แบบคนใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะเขาจะเลือกไปถนนที่มันเสียหายไหมถนนที่ขรุขระเขาก็เลือกเพราะเพราะอะไรเพราะถนนรถถ้าแบบ ทางเส้นไหนเนี่ยนะที่มันมีแต่ขวากมีแต่หนามคนเดินเท้าเปล่าก็าทําไงเขาก็เวน้นหรือเราเดินเท้าเปล่าเดินบนถนนดูนะมีแต่เศษแก้วต็มระหมดจะทํำยังไงแล้วก็เว้นฉันใดผู้มีปัญญาทั้งหลายเขาเห็นโทษของทุตเจริญเหมือนกับอัะนนะั้เหมือนกับน้ําเหมือนกับสถานที่ที่มันขรุขระถ้าไปทําแล้วก็นํามาซึ่งความเสียหายไม่มีที่สิ้นสุดก็สามารถที่จะเว้นจากบาปได้อย่างนั้น เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเห็นบาปเป็นความเสียหายเป็นทางผิดตรงนี้ยกทางคู่ขะก็คือบาปทั้งหลายเป็นทางขู่ข่าขู่ข่ายังไงก็ทุจริตกรรมทั้งสามประการเนี่ยกายวาจาใจเนี่ยเมื่อนําเกิดในอบายทุคติวิ尼บาปเนี่ยอะไรมันจะคู่ขะเท่านั้นไม่มีอีกแล้วใช่ไหมถือว่าเป็นทางผิดอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาทั้งหลายคําว่าปัญญาในที่นี้คือมีกรร ม, มสกตาปัญญาเป็นอย่างน้อย นะมีกรรมมักตาปัญญาเป็นอย่างน้อยคือมองเห็นโทษเห็นประโยชน์ทั้งหลายเห็นโทษของบาปอากุศลทั้งหลายที่จะมีต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยพยายามเถอะเว้นบาปเนี่ยนะทีนี้ในระหว่างการเว้นบาปเนี่ยมันก็จะขัดกับกิเลสบางตัวอยู่บ้างใช่ไหสมมติถ้าเราสมมติเอถ้าการเข้าสภาเนี่ยนะถ้าเมาสนิดหนึ่งจะคุยกันออกรสดอกชาตเป็นต้นเนี่ยนะ ทีนี้ถ้เรามารักษาศีลข้อนี้ข้อเอมันก็มันก็ลดไปเยอะใช่ไหมดัน้ปัญหาความสุขบางอย่างถ้าเมื่อรักษาศีลก็จำเป็นต้องต้องลดนแต่ทีนี้ถ้าลดไปแล้วก็จะรู้ว่าดีเพราะถ้าไม่ลดเนี่ยเสียหายแน่นี่นะก็ขนาดเราเราถ้าคิดอีกในหนึ่งนะถ้าจะมองในแง่ควรจะสังเวชเนี่ยว่า ขณะเรามาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาก็นับว่าในยุคที่เราก็ไม่ได้ว่าเสียหายเลวร้ายจนเกินไปเนี่ยนะพระธรรมคำสอนเรายังคว้าได้เท่านี้ศึกษาได้เท่านี้ถ้าไปเกิดในยุคอื่นที่ไม่มีคําสอนหรือสติปัญญารเราเลวลงกว่านี้เข้าเนี่ยหูมันไม่หนักกว่านี้หรือเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะขวนขวายในการศึกษาให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่าเท่าเทียบไปแล้วนะโอกาสแบบนี้เนี่ยนะค่อนข้างยาก ที่กล่าวว่ายากนะยอมที่มานั่งฟังทำรรโดยที่ไม่เดือดร้อนเรื่องอาชีพเลยนะไม่ใช่ของง่ายนะเพราะคนที่ที่เกิดมาในโลกโดยทั่วไปเนี่ยแค่ปัญหาปากท้องก่อนนี่ก็โอเรื่องใหญ่มากเนี่ยนะใหญ่ใหญ่หญจนไม่รู้ใจใหญ่ยังไงแล้วในโลกนี้เสรแล้วที่มีอย่างนี้นะถ้าไม่มีปัญหาในเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องหลานสมมุติถ้าแม่บ้านมาฟังทำรรพ่อบ้านเขาไม่ล็อกประตูไว้นี่ยบกโอ้โหเป็นบุญมากหมักนาแล้วนะไม่ใช่ของง่ายเลย ไม่ใช่โอ้หทะเลาะ ก, กันมันจะมาฟังเทศทีก็ทะเลาะกันทีเนี่ยมัใช่ยังนั้นใช่ไหมพ่านก็โอ้โหนี่มีบุญกันขนาดนี้ถ้าทําไมรักษาเอาไว้ให้ดีจริงๆเนี่ยค่อนข้างโอกาสเหล่านี้ค่อนข้างยากเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องลูกเรื่องหลานเนี่ยถ้ามีลูกมีหลานแล้วลูกหลานไปทํำไม่ดีเนี่ยไม่นั่งฟังเทศไม่ได้หรอกนั่งทุกข์เรื่องลูกเรื่องหลานมันปัจจั ย, ยหลายอย่างที่ได้ดีขนาดนี้ก็ไม่ใช่ของง่ายอันถ้าเร า, า, า, าประมาทขณะประมาทเวลาที่มีอยู่เท่านี้เนี่ยนะก็ก็เท่ากับว่า อะไรนะน้ำขึ้นก็ไม่ตักเอาไว้เลยเนี่ยนะก็หิวเมื่อแบงนั้นถ้าเป็นสมัยที่บอกว่าปีหนึ่งฝนตกครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าไม่เก็บไม่เก็บน้ําฝนเอาไว้ในการตกหนึ่งครั้งเนี่ยแห้งแล้งไปตลอดปีเนี่ยจะทํำยังไงทีนี้ถ้าในง่งการศึกษาพระาศาสนาเนี่ยถามว่าจะแห้งแล้งอีกกี่ปีนับปีไม่ได้อย่างทั่วๆไปอัตถกถาก็กล่าวอยู่แล้วว่าพระาศาสนาจะดํารงอยู่ประมาณสองพันห้าร้อยปี ก็ขออีกอีกสองพันห้ารอยปีใช่ัหมคือที่ผ่านมาสองพันห้าร้อยกว่าแล้วก็เหลืออีกสองพันสีส่สี่เศษนิดนิดนี่นะก็เบ็ดเศษห้าพันปีที่เมื่อภายในประมาณห้าพันปีเนี่ยนะหลังจากนี้ไปเนี่ยไม่รู้อีกกี่ล้านโกรดปีเนี่ยจึงจะมีพระพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งแผ่นดินหนาสิบหกกิโลเมตรสิบหกกิโลเมตรเป็นอย่างน้อยเนี่ยนะ ตกเพจริงจริแล้วประมาณสัก20กิโลเมตรเนี่ยนะมันทับถมนานกี่กี่ปีเนี่ยจึงจะมีพระพุทธเจ้าโดยเกณฑ์นี่ถ้าเป็นอย่างนี้ว่ามนุษย์เนี่ยสิปีตาเอ่ออายุลดลงไปเรื่อยเรื่อยจนถึงเกณฑ์มาตรฐานคือประมาณสัก10ปีเนี่ยนะเฉลียยุคนั้นตายหมดละแล้วก็เป็นยุคที่เสียหายมากแล้วจนถึงมนุษย์มามีศีลอีกอายุจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้ น, นไปจนถึงอสงไขป่ปีแล้วก็ประมาทลดลงลดลงล ด, ล ง, ล, ดลงอีกมาเหลือช่วง 80,000 ื่นปีจึงจะมีพระศรีอารเนี่ยนะ ก็นี่ถามว่ามันจะแรงอีกกินมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าหมดพระาศาสนาพระศีอานไปแล้วสมมติถ้าเที่ยวหน้าก็พลาดอีกสิ้นกับสิ้นกับกลับตั้งมาใหม่แล้วกลับหน้าศูนย์กลับหรืออสูญอยากลับอะไรคันี้ศูนย์กลับแปลว่ากลับที่ศูนย์ศูนย์จากพระพุทธเจ้าถ้ากลับศูนย์จากพระพุทธเจ้านี่นะอะไรจะเกิดก็ทําบาปอีกบาสนี่นะนะทีนี้ถ้าไปอบายแล้วนะแหมจะกลับคืนเนี่ยมันยากเนี่ยนะนะ แต่เขาเขาอะไรในกติกาท่านบอกว่าเพราะว่าสัตว์ในอบายนะสมมติถ้าเป็นสัตว์ผู้ชายเนี่ยไปเกิดในเป็นปลาท่านก็บอกว่าไปติดนางปลาซะอีกเนี่ไปเกิดเป็นไก่ก็ไปติดสาวไก่ซะอีกของยากเลยก็ น, นี่เพระฉะนั้นก็ยากเหมือนกันนะที่จะได้ย้อนถอยหลังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถึงเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายอีกใช่ไหมเพราะวัฏฏะทั้งหลายนี้ไม่ใช่ออกง่ายถ้าไม่ใช้ความเพียรพยายามบากบานอุตสาหะอย่างแท้จริงนี่ก็ไม่ง่าย การเว้นบาปเนี่ยเป็นสิ่งที่ทํายากในโลกนี้ใชก็นับว่ายากเลยเนะแต่นี้เป็นหัวใจของคําสอนข้อแรกสัพาปาปะสะ ก, การนังเว้นบาปทุกชนิดอย่างที่สองต่อไปกุสลสูปราสัมปธาอ บ, บรมกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปให้มากขึ้นขึ้นขึ้นแล้วก็สุดท้ายชําระจิตให้บริสุทธิ์จากอาสวะทั้งมวลเนี่ยนะให้ไม่มีอาสวะในทุกอารมณ์เลยจนกว่าจะถึงขนาดนั้นจึงจะถือว่าถึงที่สุดแห่ง แห่งทุกได้อันพระองก็ถ้าบอกว่าผู้ที่เว้นจากทุจริตได้ทุกเชตคือใครรู้ไหมพระอรหรันพระโสดาบันเนี่ยเว้นทุจริตกายวาจาใจทุจริตที่เป็นเหตุไปสู่อบายเท่านั้นทุจริตที่เหลือพระโสดาบันละไม่ได้พระสะกาทาคามีละทุจริตอย่างหยาบพระอนาคามีละอย่างละเอียดพระอรหันละสิ้นเชิงทุจริตทั้งหลายเนี่ยนะ โดยเฉพาะกายทุจริตก็ไม่ใช่ละง่ายนะกายกับวาจาเนี่ยทีนี้โดยมโนทุจริตก็ไม่ใช่ละง่ายพราะนั้นผู้ที่เว้นจากทุจริตได้จริงๆก็คือพระอรหันต์ถ้าจะบริสุทธิ์โดยไม่มีกลิ่นอายแห่งทุจริตติดตามมาเลยก็เป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเพราะว่าพระอรหันต์ก็ยังมีกายทุจริตวิจีทุจริตมโนสุจริตอยู่บ้างแต่ก็ไม่พึงตําหนิท่านเห็น ไ, ไหมก็พระภาษารีบุตรท่านก็ยังกระโดดข้ามน้ำใช่ไหม แต่ไม่ใช่เราพูดสิ่งเหล่านี้ล้อเลียนแล้วเราจะได้เป็นนักกระโดดบ้างนะไม่ใช่มาพูดล้อเลียนน่ะคือก็ว่าในส่วนกลิ่นอายแห่งทุจริต ก, ก็มีส่วนติดตามมาบ้างพระปิรินพระวัชชาก็มักพูดว่าคนถอยคนถอยเนี่ยนะการที่พระอรหันต์บางรูปท่านคิดไม่สอนก็ถือว่าคิดไม่ดีเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้คิดด้วยอกุศลนะ นั่นผู้ที่เว้นจากทุจริตบริสุทธิ์ได้อย่างสิ้นเชิงก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆการปฏิบัติธรรมในพระศาสนาเนี่ยจุดประสงค์สูงสุดคือละทุจริต3ามตายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตตอนก่อนกล่าวว่าศีลกําจัดกายวาจาที่ทุจริตออกไปเนี่ยนะสมถะก็คืออบรมจิตให้สุจริตมากขึ้นวิปัสสนาก็คือการชําระจิตให้บริสุทธิ์ได้อย่างแท้จริง อันนี้ก็เป็นอนัตอีกอย่างหนึ่งอนัตแบบคาถาแรกนะที่บอกว่าเว้นจากบาปอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของอธิศีลสิกขาและอธิจิตสิกขาทีนี้ ถ, ถามาดูอนัตแบบอธิปัญญาสิกขาว่าดูก่อนโมค ร, ราชเธอจงพิจารณาดูโลกโลกในที่นี้หมายถึงสังขาระโลกโดยความเป็นของว่างเปล่าเห็นสังขาระโลกเนสังขาระโลกคืออะไรบ้าง สังขารลโลกนี่แบ่งเป็นโลกหนึ่งโลกสองโลกสามโลก4โลกห้าจนถึงโลกส8ดเนี่ยนะโลกหนึ่งคือสัพเพสตาหารถิติกาก็คือสังขารทุกชนิดโลกสองคือนามรูปโลกสาคือเวทนาสามโลกสี่คืออาหารสี่โลกห้าคือขันห้าโลก6คืออายตนะภายในหโลกเจดคือวิญญาณทิติเจ็